สมัครรับชมมีบทไกด์ต่อสื่อก่อนเรื่องของปลาที่ถูกเผยในไคลล์โลกมาไทยแล้วปลานี้เป็นหลายหลอดนั้นที่ทบเสียงอันยาเข้าในเรือที่ถูกโจมตกท่ามน้ําที่เบาะท่าโทรทัศน์ยินดีต้อนรับผู้มีบทไกด์ใครมีอะไรไม่เรียนใครใช้กรรมอะไรเป็นเอกสะดวกค่ะ เราไม่ทราบถึงพวกใครคนนี้คืออะไรมีไมค์เค้าเล็กๆไม่สามารถจะทําอะไรให้เรือเคลื่อนไปได้ทั้งทะเลใบก็กางอยู่แล้วก็ลมก็มีถึงแม้แต่คนทั้งหลายเหล่านั้นมีความสงสัยว่าจะมีคนคารคณีคือใครอยู่แล้วมีมัคคลากัคลากันคนเหล่าเชื่อพวกนักจรยินัยมีใบเดียวก็ทําครบทุกคน <c oughs> เมื่อพระภิกษุหลายท่านกราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วองค์สมเด็จพระชินนามมาเสด็จอลิติธรรมความมีวาทในอดิษฐานนานมาแล้ว <c oughs> บุคคลนั้นเป็นปัญญาของพระอภดีคนหนึ่งในทรงภารารฤาษีมีการทำกิจเพียงหนึ่งมีการปักน้ําปรุงข้าวทําอาหารเป็นต้นโดยมีคนตนเองอือในขณะที่เดินอยู่นั้นนางเองมีสมบัติตัวหนึ่งอาศัยกับนางตัวนั้นมันมีความจงรักภักดีเป็นนางมาก <c oughs> คือท่านก็ถึงราวแล้วกันสไมพระมัคคัมนางธรรมอะไรภิกษุนักมัคคก็ได้มันมีความสุขรักอภิเมื่อนางหมั่นเข้าครบอาหารไปนาก็ดีเวลาที่จะส่งธรรมไม่เวลาทํานาเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ไปด้วยเวลาที่นางจะไปป่าต้องการจะหาวัตถุต่างๆที่พื้นและผักเป็นต้นนี้เจ้าสุนัขตัวนั้นก็ไปกับเธอเสมอๆ อันอันนั้นสนับสนุนมันมีความสนับสนุนเค้ากี่ในคือคือแบบคนนายที่น่ารักสนายที่ไม่กล้าของมันมีหลายคนหนุ่มทั้งหลายเหมือนว่านางไปไหนก็มีสนับสนุนไปด้วยก็พากันฮือเหาะเจาะ Joy ว่าพี่โอราโวยมันดูคลั่งสนับสนุนจริงพี่นางคลั่งสนับสนุนมาแล้วจะไปไหนก็ตามก็มีน่าสนับสนุนไปเสมอเหมอ และซอฟาร์ฮาตกินข้าวกับเนื้อเพราะว่าคําว่าใครสนับสนุนหมายก็ทางคนนั้นก็มีสนับสนุนเครื่องมือเวลาที่จะได้เล่นเนื้อก็มีสนับสนุนหลายกัดไล่มือเข้ามานักรบก็มีเข้ามาทางการต่างๆก็มีหรือว่ามีทางสนับสนุนก็กัดเกกลอรินเมื่อวันนี้เรากินข้าวกับเนื้อเพราะว่านางใครสนับสนุน จะนําเนื้อมาขายจะนําเนื้อมาแจกกับพวกเราครับถ้าแต่ทางไหนด้วยตามเจ้าหม่มๆทางไหนแล้วนั้นมันก็ร้อนมันก็เรียนมาก็เกิดความคล้อยคลืนไอ้กับพวกคนบ่าวพวกคนหลายเหล่านั้นแต่มีแต่ถึงแต่ความอายลืมมิสซิสไวฟ์ของท่านนั้นมันมีความจงรักภักดีคือใจอย่างนี้ของว่าฐานธรรมดาสุนัขซึ่งสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ความจริง เราจะตรัสด่าแล้วจะลงทัณฑ์เป็นประการใดคนดีสําหรับซุนนะห์พอเหลือมันก็เดินเข้ามาไปกระแสแสงไม่ทราบว่าดาวตัวหรือคนบางท่านได้กล่าวว่าขึ้นที่ระหองกับกันอยู่รู้คนแล้วก็ซุนนะห์ที่บางทีจะดีกว่าคนกว่าคนหลายคนมีคนหลายคนถ้าเราบํารุงบําเรอได้ดีเขาก็มีความรักถ้าจะมีเหลือหวั่นจะข้าเราได้ นางใครสะใจแต่แลทางเทียบคิดซึ่งอย่างอื่นขึ้นบ้าสนักก็ไม่มีฟานโทรศัพท์ดีๆแต่ตัวนี้ครับประหารสนักสนามที่นี่ค่าเท่าไรนางจึงประหารสนักได้ทําอบหารแล้วข้างบ้างซื้อบ้างฟางได้ก่อนดีล่ะซื้อได้ท่านใหม่บ้างเป็นตัวนี้ให้สนักตรงนี้ไปเจ้าสนักกําลังก็กลับมาอีก ว่ามันมีความจงรักภักดีมันก็ไม่รู้วันใหม่ก็มันไล่พบไล่ปืนมันเลือกความผิดอะไรต่อมาท่านบอกว่าดึงว่าสุนัขตัวนั้นเคยเป็นศาลมีทํานามไม่แท้ก่อนคือสุนัขตัวที่ตามที่มีความจงรักภักดีคือก็ต้องคิดเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระควัญกล่าวว่าสุนัขตัวนั้น ก็ถือเป็นภรรยาของนางและท่านได้เข้ากันก่อนมาทั้ง 3 ชาติด้วยกันเออจะไม่มันจึงไม่อาจเทียใต้ความรักในนางได้มนนางจะขว้างนางจะตีนางจะเล่าถึงประการใดก็ตามสิมนนางหยุดนางไปไหนมันก็ตามประดิพารโชคลัพธ์ดีต่อไปตามท่านพระมาลีท่านกล่าวว่าจริงอยู่ใครๆเชื่อว่าไม่เคยเป็นเลยระพิน 4 ครับ สัตว์ใส้พระหมายเลข 3 มีภรรยากันเพราะว่าบาลีท่านบอกชัดอันนั้นเข้าถึง whatever เป็นเนี่ยเพราะกันเลยแทงก่อนไหนสุสอนไอ้มึงที่สุดอันบุคคลตามไปไปไม่รู้แล้วหมายความว่าไม่อัตภาพต้องการที่เราเกิดมานี่มันไม่เวลานานมากไอ้เวลามันเป็นแสงแข็งกับแต่ละกลับกระทบกันวันทีแล้วจะเกิดทั้ง 2 ข้างทั้งครั้งวนกลับไปมา Hallo kalau ada yang double charge di kartu malam sayaทั้งหมด ที่ไม่เคยเป็น 200 เมตร then contract and meet I get those impact charge มาข้างละบางครั้งวาระครั้ง 1 2 มาครั้งไหนก็ไม่ชัด 1 2 5 3 ใครก็ได้เพราะการเกิดของเราเป็นล้านครั้งไม่ใช่ 200 ครั้งอ่ะนับไปเลยล้านครั้งก็ได้รถการเกิดนับเป็นคนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างที่เวลามาถึง from month ก็ได้บายผมบ้าง เลยฝากให้นักรักทุกคนก็รับไปคนถึงกล่าวว่าสิ่งนั้นความรักมีประมาณอย่างเท่ากว่าไอ้ความรักที่จะมีความเชื่อกันในการก่อนเคยเป็น Family กันยากันในการมันมันมีประมาณอย่างมากอย่างนึงไอ้คราวต่อไปให้ยอมมือในผู้ที่ต้องย้ายกันเอกภาพมันไม่ไกล เพราะหมายความบางคนในชาตินี้เกิดแต่พวกต่างพ้องตามชื่อตามนอตามบิดามารดาเวลาการก่อนเคยไม่ญาติกันมาก็เกิดความรักกันได้พอได้เห็นชื่อคนลึกรักคนนั้นขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่ารอถึงชื่อกันน้องกันอย่างนี้เป็นต้นความจริงแล้วมันก็แพร่ไปกับคนหลายคนว่าต่างทีเราไม่เคยเห็นหน้าเค้าแต่ว่าพอได้รู้ชื่อว่าคนนั้นก็มีเราก็เกิดความพอใจ จะเสียสเปลตอัลตรัสออนแดทลาฟเตอร์อีทไนซ์คนละตัวนั้นจึงไม่อาจทุเลณามไปได้ถึงแม้จะทดจะปฏิบัติการใดก็ตามเขาก็ไม่โกรธนางแสดงความจงรักภักดีกับใจอันนี้เองบรรดาทั้งหลายผมฟินิชเดอะสเปลตอัลตรัสออนแดทลาฟเตอร์อีทไนซ์โทษนั้นแหละเมื่อนําข้ายาครูไปเพื่อสามีที่นั่นแล้ว หลวงดับเสร็จใส่ไวไนท์ไฮพบแล้วบินเดินเข้าไฟพระสมัครนั้นเห็นนายเป็นภรรยาของมันชื่อปัญญาและสามตะครับใครคนก่อนพอแล้วมันก็ไปกับนางเหมือนกันตามนางไปจะไปไหนเมื่อก็ตามไปด้วยนางจะให้ข้าวยาโคกับสามีแล้วเธอเอาก็ออมเฝาเป็นอันว่าวันนี้วางแผนฆ่าสุนัข แต่เราที่จะเข้าไปให้ 3 มือค่อยเชือดกันด้วยมาเข้าไปให้ 3 มือแล้วก็ถือกระหม่อมแฟลวเฟสวัลในนัมเอมเมนมาเลยดูดน้ำมาแล้วเสือก็ตักน้ำใส่กระหม่อมแคลิฟอร์เนียทูเทมแล้วให้สกัดน้ำซึบไปนักเอาไซม์ใส่กระหม่อมให้มันเต็มนักก็ได้มีน้ำหนักมากๆก็เลยให้ปริยา รีสตาร์ทสนับสนุนซื้อซักตรีทําให้ความมีความคุณนะทําไมดีอยู่แล้วคือใกล้อะไรทํามาใกล้ๆแต่สนุกก็ดีใจว่าเอ้ยวันนี้เจ้านายของเราใจดีนะผู้ขอนี่ทํามามันก็มาหาความดีใจกันเพื่อนๆที่เราว่ามีเธอมันนานแล้วนะเราได้รับการเยอะเยอะจากทุกชาวบ้านต่างๆ ก็ถ้าเกิดตัวเจ้านี่เหมือนใครไม่มีวันนี้อ่าไม่มีวันนี้เจ้ากับเราอยู่ต้องจากกันไปแล้วบางทีเราพูดกับลักษณะเหมือนเรามันดีใจท่วมไม้ในพูดกับมันแต่มันไม่รู้ว่าพูดอะไรไงก็จะนักไปเข้าใจกับเราเสียว่าเรารักมันมากๆก็มาให้มันกินแล้วกินแล้วจําสัญญาบางอย่างเท่านั้น ถ้าสนรรคเนี่ยได้ขางดูใส่โหลลื่นหมอกสุขานามาอยู่ในจับเจ้าสนรรคตัวนั้นต้องจับมันก็ไม่ต้องแสงทําบ่จับให้มั่นที่คอแล้วแม้ว่ารูปร่างของครรมจับมันมันก็ยอมให้จับกันโดยดีเชื่ออบราห์เชื่อครั้งนึงโคก็ออมมือใส่สายกันเต็มเทศบาลเชื่อครั้งนึงโคก็มีคอสนะ 100 ถ้าทํายังไงเจ้าสนักก็ยอมเพราะมันมีความแดกอีลูกจักก็ออมให้เครื่องลงน้ําก็ออมมันหนักเจ้าสนักตัวนั้นก็ตามก็ออมลงน้ําไปด้วยก็เทคบีฟฟอร์คอมมูนิวเจ้าตัวนั้นก็ถึงกับรักคือตายในที่นั้นเองโอแล้วเสร็จก็มีว่าถ้ากล่าวว่าเข้าใส่กรรมเพียงครั้งนี้มันมันต้องไม่อยู่ในระยะล็อกสิ่งการนานเพราะกรรมที่คล้ายๆ การว่าสายผลของกรรมนั้นคําว่าวิบากแปลว่าผลแล้วผลของกรรมที่เหลือคือกาเสกกรรมที่เหลือๆนั้นเหมือนนางมาว่าเอากระออมที่เต็มบริกสายถูกคอน้ําคอสะนับพรมน้ํานางต้องตายเพราะเหตุที่เขาทวงน้ําแบบนี้สิ่งละเล่าหลายครั้งสิระทับครับนี่เป็นกฎของกรรมที่เรามองในหินคันดาท่านพุทธบริภาษ แต่นั่นเกิดมาในชาตินี้ชาติบังเอิญก็มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เรามีทุกข์ท่านต้องรู้จักเกิดมาแล้วก็กรรมความชั่วก็เกิดมีในตัวเราเอารู้ความชั่วสายอย่างนั้นก็จงคิดถึงเรื่องการกระทุรณ์กับเรื่องนี้จะเป็นสัญญาเข้าใหม่เลยกันว่ากรรมเก่าที่เราทํามาแล้วเรามองให้ฉากนี้ตรงนี้เราจะทําความดีขึ้นใดก็ตามทีก็เป็นเรื่องยาก คือเวลาพูดเราเราต้องได้แบบครับว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมันมาเพราะอะไรอริยสัตบุรุษท่านผู้ได้ใช้สมาบัติท่านจักเป็นโลกุตระฌานจึงจะสามารถทราบถึงการไม่โดยแท้อริยโลกุตระท่านก็ไม่แล้นั่นกันผู้ปราชญ์ท่านหนึ่งจึงเป็นอันว่าพระองค์ทั้งสรรพสรรมาสัมบูรณ์ที่อาจสัมปยัสกรของทั้งธรรมธรรมดาที่สูงโทษที่ 2 เสด็จราครับถามถึง ธรรมware คนไหนเรียนแล้วบรรดาวิสุตตโรที่มีพระอคุณธรรมองค์สมเด็จพระคาชีพแล้วพระอริยผลคาพระพุทธเจ้าต้องติฐิในคำสมจิตวันเสาสายหญิงใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นที่กล่าวมันแลนั้นทูลหนึ่งทัศธุนาอาสาธรรมคนที่ปรนบรรเข้าในกํานวนไม่หลายก็ไม่สามารถจะทําหญิงขึ้นไปได้พวกฆ่าพระพุทธเจ้าหลายก็โชกคันดันสิ่งก็ไม่เกี่ยว กลางตอนอุทาหรณ์ประมาณร่างกายอยู่ถึง 7 ไว้พอครบฤกษ์ที่จะระลึกหลายแล้วมันก็ขึ้นไปเฉยๆเป็นเรื่องน่าสะเจียนอ๋อสมเด็จพระฤตัยท่านมีพระภาคเจ้าตรัสถึงพระอัครนาถิโคตรสารทราหม่อมคำนั้นแก่พระพุทธเจ้าด้วยแต่พอเดียวค่ะอ๋อสมเด็จมหากุนนาจึงได้มีพระพุทธดุจาตัดว่ากิถเวดูก่อนนี้เท่าไหร่ command new target cloud expanse และมีการมีบทเรื่องขอ 7 คนซึ่งชาวโกฮารานซีคือเรียกขอดูคลาเทคซ์ฟังก์แม้แต่โคไซโน่แม้ความเป็นจริงเพื่อไคลด์บานและไคลด์นับไปครั้งละ 7 วันทุกครบวันเหล่าเพื่อเรื่องขอแล้วก็กลับมาพบที่ใหญ่ตัวหนึ่งโคลากัปปะคาลิงขอ อัครัยย์โต๊ะคนนึงคนเพื่อนคนมันอยากจะกินแล้วเนี่ยแต่ความกลัวเนี่ยมันไปที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะครับไอ้นู้นๆตัวนู้นๆทั้งหมดก็เลยกลายเป็นเนี่ยอัตมาแซ่ก็ลี้หนีไปเลยแล้วก็ไล่กันไล่ติดตามพี่เนี่ยนี่ก็ไปสู่ชมพวกแห่งนึงมันกลัวมึงจะตายแล้วก็ไม่ได้เจอกันตอนนั้นแล้วก็มีอ๋อ <c oughs> ช่องนั้นไม่เข้าเรียนเลยอไผ่แต่ความจริงพวกมันมีสิทธิ์ช่องเนี่ยไม่กี่ช่องเดียวเธอจะเลือกเลือกนับไปอยู่เข้าไปช่องไหนช่องหนึ่งแล้วมันก็อาจจะอยู่ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ต้องต้องเลือกช่องถูกกลางไหนเป็นช่องไม่เป็นไปได้ทั้งเขาไหนอันลาวเนี่ยต้องหลายแล้วนั่นรู้สึกกันว่าบัตรมือของเราไม่สามารถจะสะเทือนได้เลยมันเข้าไปอยู่ในช่องนั้นจนสุดใจ ก็จึงเลยได้มาจับมาสัตว์อันเหล่าต่างคนต่างประเทศเอากลุ่มมาที่อาครรมคลักรรมท้องกรรมมีรวมกันมาทั้งคน 7 คนก็พากันอุดช่องช่องของจําลองนั้น 7 ช่องโอเทลนั้นให้เหี่ยวไม่ได้ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะมาล่ากับเพื่อนกันได้พออุดแล้วก็กลับไปในวันรุ่งขึ้น แต่ทั้งหลายเหล่านั้นลืมไม่ได้นึกถึงเหี้ยมันเลยเออเวลามันรีบไกลรีบกว่าจะเรียกกลับเก็บมาสุนัขบอลโกกจะมาเทก็ลืมไปไม่ต้องโทรไปที่อื่นเธอก็ไม่ได้นึกถึงเหี้ยคนวันครบที่คลิปหาโทรกลับมาบ้านไม่พบพบเจอตัวกันนั้นปรับคือมันได้เหรอเออ เราเอาที่เอาไว้นี่นะท้องเหือดนะท้องแล้วท้องพวกนี้แต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ตายแล้วยังก็ไม่รู้ไม่เก็บทวนแล้วมีเมฆพากันไปเสีย 40 ตันไว้แล้วเลยแล้วเก็บเข้าในคันคนละช่องละช่องสําหรับเหือดที่ในตัวนั้นมันอาการอยู่ตั้งกี่วันก็ไม่อะไรในชีวิตเนื้อแต่กระดูกมันหนังสั่นควันออกมา ไอ้ความมันหมดแล้วหมดเรื่องหมดแล้วไอ้ตัวก็พร้อมลงไปกับการอดข้าวอดน้ําอาหารก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีอยากกินน้ําด้วยสําคัญไม่ได้หมดอะไรเลยคิดถึงว่าข้านี้ตายแน่ลูกเมื่ออยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไอ้เรามนุษย์ก็มาต้องถูกเขาอยู่แบบนี้ทั้งทั้งหลังก็ไม่รู้ว่าเราไปทางไหนเกิดอะไรคืออะไรที่ไปทางไหนแล้วนั้นเปิดช่องเห็นช่องโผล่มีช่องไปได้ อันนั้นแหละหมายความว่ามันเรียกว่าแรงไอ้ลูกน่ะไม่ต้องไล่แล้วนั่นอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้ทางความอื่นดูพวกกันว่าเออจะล็อกด้วยเหี้ยตัวนี้มันอ้วนน่ะก็รายาฆ่ามันกินเลยอ่ะตอนนี้เรามีจะเหี้ยตัวนี้มันมีหนังที่จะดูกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะฆ่าให้มันตายเอาเนื้อโดยกินเนื้อมันก็ไม่มีเออนี่ดูว่ามันอดเดี๋ยวของมันถึงเสร็จไว แสดงแสดงความรักในเหี้ยนางเคยความโหสานที่มันลูบหลังหัวนางแล้วแล้วก็ปล่อยไปคนลายที่เขายืนต่อไปเค้าก็บอกเค้าเชื่อว่าต้องไปการสัมภัยของแก้มเธอแม่พระเทวดาต้องไปการสัมภัยไประยะสัมภัยให้มันรอความตายอยู่คิดไว้เออเป็นแต่สงฆ์ 1,000 บรมไศยคันดายินดีสงสัยว่าพุทธเวดูก่อนที่สุดท้าย เหล่านั้นไม่ต้องไม่ในนรกก่อนเพราะว่าไม่มรณะเดทตายเนี่ยฉันหมายความว่าโดยท่านไหลเหล่านั้นที่กําลังเสื้อนั้นไม่ต้องตกนรกไม่เหมือนกับอ่ากาลุบะเหมือนกับปัญญาของนายเรือท่านบอกว่าโดยท่านไหลเหล่านั้นไม่ต้องไม่ในนรกเพราะว่าไม่ได้ตายอย่างนั้นแต่คนนั้นท่านจะกิน เมื่อมนนา ดร. เกียรตินั้นได้เป็นผู้ต้องเข้างานตำรวจ 75 56 ที่อัสฮาอนุมาัยความอ่ะเกิดมาแล้ว 14 ขวบหลังจากตายความเป็นเด็กเขาก็เคยเป็นคนแล้วก็เป็นคนก็มาเข้าแบบนี้มา 14 ขวบแล้วคงผลึกสุริยจึงมีกระพฤติกาตัดว่าพิษเวดูก่อนดีสุทุหลายกรรมนั้นพวกเธอได้เป็นบทเรื่องโค ในไมคราฟต์ครับเป็ดโลนนั้นเป็นเกลียวโค้ดแต่จะทํากรรมนั้นแล้วในการนั้นคือต้นอโลหะมาอ้อนพระเดชพระองค์ทันบรมไสยฉันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอินทรีสรภังบรรหารที่ท่านหลายเหล่านั้นทูลธรรมแล้วในการอย่างนี้นี่เราบรรดาท่านพระภิกษุภูมิที่เราก็ทําไม่ใช่ก่อนเลยเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ และแล้วท่านผู้ท่านในการนี้สมัครดากันว่านี่เห็นมั้ยว่าทําอะไรนะทําทําเพื่อความดีและเป็นนําเรื่องอื่นมาเล่าแก่บรรดาท่านพระธรรมบริษัตรทั้งอันเรื่องกรรมที่ไม่ได้ทําในชาตินี้แต่ว่าทําในชาติก่อนสนองเขาให้เกิดความทุกข์ทั้งได้ความตายฟังเรื่องต่อไปทั้งเรื่องนี้จะไม่จบในปีนี้เองครั้งนําบรรดาวิสุรูป 1 ปรากฏถามอองสลักไปสมานสัมปะทาวาความสัญญะไม่มีแค่กัดที่ทํากันที่บรรดาไปแล้วผู้สงฆ์อภิบาลกายคนดีท่านสู่ใส่ล้อมดุอยู่ในมหาสมบัติคนดีถ้าเกิดเสื่อมทรัพย์เขาเขาก็ดีสืบเนื่องกันได้ครับพี่เฒ่าครับทําไมความบันดาลีสุดหลายนั้นต้องใช้เพื่อคนดีสร้างกรรมชั่วแบบนี้ อ่ะเค้าก็ออกเป็นอากาศถึงต้องลมๆหน้าๆเลยเวลาทะเลเต็มมีให้ในท่อขาวเค้าจะมีได้เหมือนเจ้าค่ะพุทธะก็ก็คําแฝดโดยสุดละกรรมนี่มันเป็นวัตถุเมื่อกรรมมีดูคนไล่ติดตามถ้ากรรมมีผีติดตามด้วยความที่ไอ้กรรมนั้นต้องความชั่วที่ติดตามใจไม่มีติดตามใจใจของเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปด้วยไอ้เธอไม่ได้ ต่อไปพระโสดต์ฟังคําเดียกับองค์สมเด็จพระสามิกท่านก็ว่ายังไงในขณะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมไตรบริรมัยสาสนาจึงมีพระอุปติกาตรัสว่าพุทธเวยดูก่อนทุกโสทั้งหลายอ่าท่านบอกว่าอย่างนั้นแหละที่โสทั้งหลายมันหมายความว่าแม้คนหลายเหล่านั้นเค้าก็อยู่ในอากาศก็ดีเป็นต้น เรือได้ไปในทะเลมหาสมุทรดีเจออยู่ในช่องเขาเหล่าเนาฝ่ายที่ไหนดีกรรมทางไหนเหล่านายย่อมติดตามเข้าไปอยู่ตลอดเวลาไม่พึงสามารถจะคนกรรมชั่วได้เมื่อยศินสมมุติว่าเล่าคนที่แต่มาที่นั้นส่วนจึงตัดบทในคาถาว่าคนที่ทํากรรมชั่วไว้ก็ไม่มีเวลาใครก็ดีก็ไม่พึงจะคนจากกรรมชั่วได้ เออเนี่ยไปทําการมหาสมุทรก็เลยถึงกับจัดการทํากรรมแห่งความชั่วดีต้นทําไปแล้วได้ตัวนี้ก็เป็นโซ่เศร้าเขาก็ไม่เป็นคนจัดการทําชั่วดีต้นทําไปแล้วทั้งนี้ก็เขาตัวเราไม่ได้เพ่งศีลได้คนจัดการชั่วนั้นได้ประเทศแห่งนั้นแผ่นดินนั้นทํามีโฟมไมค์ทํามีคิวไมค์ <c oughs> เขากล่าวว่าไม่ทูลส่งว่าบริษเข้ากล่าวว่าเพราะเขาอยู่แล้วในประเทศคันดินใดคือใครจะควบคุมได้ประเทศแห่งคันดินนั้นไม่มีอยู่โฮลคลาสแต่ทําได้เท่าบริษท่านท่านอันว่ามาอมสําเร็จคือทรงพระว่าทรงต่ออย่างนี้แล้วไม่เวลาจะต้องพิจารณาบรรดาวิสุทธิทั้งหลายเหล่านั้น พระตระอายุมรรคผลมีในโสดาปัตติอนุปัสสโสดาบันต้นๆพระธรรมเทศนาของพระองค์ทั้งสัมมากับพระพุทธเจ้าทรงมีเสวยสมาคมมหาชนกว่า 20 ครั้งและมีมรรคบางเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดนั้นเวลาที่พระท่านได้ไปเฝ้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเหมือนด้วยแต่พระมีธรรมดาไว้ขายมีไวดาไว้ขายทั้งหลายทรงใหญ่ก็มานอกออกทั้งเกียรติอยู่ พระอ๋องสมเด็จพระมหากษัตริย์โดสวะแดงภัทรมทีสนราแค่แต่ปัญหาปวดของกรรมทําประการคือกรรมของชาวพ่อเข้าไปครอบคร้านเร็วไฝกรรมของมนุษย์เป็นไรอันว่าคนอะไรถูกถูกนั้นกรรมของบรรดาวิสุทธาหลายเหล่านั้นผู้ถูกถูกขอจิตไว้เพราะอนันต์เกิดแก่ตายพระองค์สมเด็จพระจลไตรโศกแค่คือธรรมปที เหล่าบรรดาท่านพุทธบริษัทโทรับฟังนายรู้สึกท่านเหล่านั้นทั้งพระท่านก็ว่าก็พากันมลมคลเป็นภาอริยะบุคคลมีรู้สึกท่านต่างเป็นต้นจึงนิมนต์มาเหล่าบรรดาท่านพุทธบริษัทการนำเอาคําทั้งหลายเหล่านี้มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับฟังก็ทราบว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่คนมาฟังก็ฟังว่าข้านี้ทําความดีเพียง แต่ทำไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์คือมีทุกข์หลายระการเข้ามาเบียดเบียนหากว่าทำความเรื่องนี้แล้วก็ทรงห่อนให้ขึ้นโตมให้ว่าก็ความสําคัญไม่สร้างความเดรัจฉานให้ขึ้นอาศัยขึ้นพ้นความคล้ายๆกับขณะ 3 กามมาแล้วนี้ก็ได้สําหรับเรื่องนี้และก็วันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ต้องขอยุติเรื่องราวกับความกําของคน 3 คนไว้ณที่นี้ก่อน ขอขอสวัสดีท่านพระธนมงคลสมบูรณ์บุญกฤตและบรรดาท่านผู้ศานิกชนทุกท่านสวัสดีครับ